เมื่อคืนในพวกคณะเจะวันนักศึกษาก็ไม่ใช่จบปริญญาแล้วเขากำลังจะฝึกงานฝึกงานที่กอพอมีหลายหน่วยงานส่งเขามาฝึกงานก่อนที่จะออกไปทำงานเขาก็เลยมาส่งไปในที่สาธารณะทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ที่จะเรียนรู้เพราะนั้นเขาึงส่งมาวัดเรา พักค้างคืนเมื่อคืนนี้ทั้งหมดก็ที่เขาบอกมาว่าหกสิบคนผู้ชายสามสิบผู้หญิงสามสิบแต่พอเมื่อคืนนึงบอกว่าห้าสิบคนไม่ถึงหกสิบมาพักค้างมีทั้งพวกสภาพัดหกคนมั้งเมื่อคื น, น, น เ, เนี่ยแต่เมื่อเช้าน่ก็ออกไปแต่เช้าพอจะได้ไปพบผู้วาราชการจังหวัดอุดร ก็คงจะไปหนองคายคงจะข้ามไปเวียงจันทร์จากนั้นก็กลับมาแล้วก็คงจะกลับกรุงเทพหาประสบะการณ์เรียนรู้แต่มีแตเด็กหนุ่มเด็กนั้นทั้งหมดเพิ่งจบใหม่ต่อไปก็คงจะส่งไปต่างประเทศก็มีไปศึกษาต่างประเทศหลักสูตรตัวนี้ถึงปริญญาโทไง น, นะคน ในชาติใครๆไว้อยากจะให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแต่ลุงพ่อก็พูดหลายแนวความคิดเหมือนกันเมื่อคืนคนเราประเทศชาติบ้านเมืองที่จะเขียนแผนพัฒนาแผนที่สิบเอ็ดก็นเน้นเรื่องคนก่อนแล้วก็คนที่จะรู้เรื่องของคนเนี่ยก็ต้องไปศึกษา แต่ละหน่วยงานแต่ละมูแต่ละคณะแต่ละวิชาอาชีพมันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่านั่งโต๊ะเก้าอีอ้นึกเดาเอาขาดคะแนนเอาจากนั้นก็ยกเมฆมาพูดจากนั้นก็ตั้งกฎเกณฑ์จริกาขึ้นมาให้คนทุกหน่วยทุกเราปฏิบัติตามมันก็ไม่น่าจะถูกต้องเราต้องไปศึกษาแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงแต่ละวิชาอาชีพเป็นยังไง พเราปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ต้องไปดูทุกหมู่ทุกเหล่าอาชีพเขาทํานาขั้นตอนในการทํานาเขาทาอย่างไรอาชีพทําสวนขั้นตอนตั้งแต่ทีแรกมีอะไรค่าใช้ใจ่ายยังไงผลกําไรออกมายัางไงผลที่สุดเขาออกมาขายเป็นยังไงแต่และหน่วยงานตลอดทั้งขายของชํา รอถึงพนักงานทุกวิชาอาชีพปลูกจ้างเขาทำงานยังไงเขาได้รับเงินเดือนยังไงพอใช้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยสภาพัดเนี่ยพวกกลุ่มขวกเราเนี่ยต้องออกไปตรวจตราแล้วก็หาข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นแผนพัฒนาสิบเอ็ดสิบสองก็ว่ากันไปทีนี่มวงพ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะ อั น, นี้เขียนแผนพัฒนากระดกกระเดกกระโดกกระเดกยังไงเขียนแผนพัฒนาการศึกษาให้เรียนถึงมหกณะที่เรียนถึงมหกนั่ะเขากินอะไรนักเรียนเขากินอะไรเขาไม่ได้ช่วยพ่อแม่เขาเลยพ่อแม่เขาจะหาเลี้ยงได้ยังไงตูกทั้งสามสี่คนแล้วเขาจะเลี้ยงได้ยังไงแต่ละวีแต่ละวันเงินค่ารถเขาไม่ได้หาช่วยพ่อแม่ ไม่เหมือนปอสีสมัยก่อนพอจบปอสีก็ไปทำงานช่วยพี่ป้านาอาจากนั้นก็ได้เอาเงินมาให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ะเด็ดเลี้ยงน้องต่อไปอันนี้ทุกคนเรียนหมดพ่อแม่เป็นคนหาให้ทํางไงน่แหละพวกรัฐบาลมองแต่่วนกลางไม่ได้มองชนบทไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน แล้วทำยังไงเมันก็เป็นช่องว่างคนมันก็ยากจนเมื่อคนยากจนไม่มีทางออกมันทำอะไรมันก็ทำความชั่วเสียหายในทุกอย่างเขาให้ว่าไหนเป็นเงินเขาประกาศพวกมิจฉาชีพเขารวบรวมก็ได้ง่ายจะให้ทำอะไรกับว่าจะได้เงินมาเขาทำได้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นช่องว่างเพราะมันหิวมันขาด มันไม่มีเงินะสิ่งเหล่านี้รัฐบาลผู้ฝ่ายปกครองมันต้องดูนะอันนี้หลวงพ่อก็พูดเหมือนกันฮอันนี้ก็คือบ้านคือเมืองบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยเผื่อแผ่ทรัพยากรเกิดขึ้นมาในประเทศชาติมันต้องเฉลี่ยกันคนละมากละน้อยผู้ที่ทํางาน ใหญ่ก็ธรรมดาก็ต้องได้มากผู้อยู่ปลายแถวทำงานน้อยก็ธรรมดาก็ต้องได้น้อยแต่ทงยังไงก็ต้องเลี้ยงชีพได้ไม่ใช่อยู่หัวแถวโคดโกงไปเรื่อยทำไม่ดีไปเรื่อยอแล้วจะให้ลูกน้องจูทางหลังเป็นคนดีมันดีไม่ได้นะเหมือนกับวัาจาวจ่าฝูงวัวหัวหน้าเวลามันว่ายน้ำ มันไหว้คดโคดค้งโค้งเออแล้วจะให้ลูกน้องไหว้ตามเลยจะให้มันไหว้ตรงได้ยังไงมันก็ต้องไหว้ไปตามหัวหน้าเพราะไหว้ไปตามหัวหน้าก็นั่นแหละมันคดๆโคตโค้งโค้งกว่าจะถึงเพอเพอรลูกเล็กเด็กแดงก็ตายใน น, น, น้ําก็มีเพราะหัวหน้ามันพาไหว้ไม่ฉลาดในการว่ายน้ำํำนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ ผูเป็นหัวหน้าที่ยกย่องให้เป็นหัวหน้าจากนั้นเมื่อเป็นหัวหน้าแล้วกันเนะี่ยทางคดทางโกงทั้งเลสทางในทั้ ง, งเดสทางเหลี่ยมกับบริวารของตัวเองกับคนในชาติและประเทศชาติบ้านเมืองจะราบรื่นได้อย่างไรนี่หลวงพ่อกขาพูดนะพูดใต้แก่พวก ทัศนะศึกษาแต่เขาพร้อมกันอบรมพ่อเอาศีลธรรมเข้าไปให้ระ ล, ลึกถึงพระคุณพระคุณก็คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือใครพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้สั่งสอนให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วไม่สูญ คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าอันนี้เป็นบุพการีเป็นเครื่องชี้นำทางด้านจิตใจของพวกเราบุพการีที่สองก็คือเจ้าฟ้ามหากษัิท์ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเ อ, เอาแผ่นดินหลีกหนีออกจากปากเกี่ยวปากากาสมัยเขาแย่งร่าอาณาจักร สมัยนุ่นรัชกาลที่ห้าท่านเป็นทุกขนาดไหนที่ท่านเอาแผ่นดินออกจากเขาได้เป็นอิสระเป็นไทยในละแวกนี้ตกเป็นเหยื่อเขามาทั้งหมดถ้าเราดูในประวัติศาสตร์แต่เมืองไทยของเราก็แปล ก, กเหมือนกันไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ม่อยู่ในโรงเรียนเห็นแล้วก็แปลกประเทศอื่นของเขาเขาต้องยึดถือแนว ทางป ร, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยคือยึดประวัติศาสตร์เป็นหลักใหญ่เลยประวัติศาสตร์คือยึดพระพุทธเจ้าท่า น, นพาดําเนินอย่างไรพระสงฆ์สาวกในครั้งนั้นท่านทําอย่างไรสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาในยุคนั้นท่านทําอย่างไรเราก็ได้อ่านในหนังสือเป็นประวัติศาสตร์จากนั้นก็ น, นํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์แต่เมืองไทยเราแปลก ทิงประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนนะเพราะนั่นคนเกิดมาก็เลยเคลื่อนคว้างไปหมดอันนี้แหละไม่รู้จักกระทั่งสูงก็ตั้งต่งตำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นมาอย่างไรเกเลยลืมความกตัญญูต่อแผ่นดินนะอันที่สามก็คือพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณเป็นบุพการีที่ได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่วันเกิด ยังแต่อยู่ในท้องแม่ให้ยาทนุถนอมให้ยาบำรุงเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เี่ยไปหาหมดหาหมอรักษาคันก่อนพวกเราจะออกมาได้เป็นคู่เป็นคนจากนั้นก็เลี้ยงดูเราขนาดไหนอันนี้ก็คือบุพการี <Yeah. S 1> เราควรจะแสดงความกตัญญูตระเวทิตาอย่างไรกับพ่อแม่ของเราอันนี้เรากงต้องคิดอีกเหมือนกันจากนั้นก็ พระอุปชาครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนตั้งแต่สอนกไก่ขอไข่จนถึงวิชาอาชีพจนถึงชี้นำของชีวิตเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติหลวงปู่หลวงตาที่ท่านสอนเราให้รู้จักบาปปุลคุณโทษนรกสวรรค์ให้รู้จกปปักศีลรู้จกัจกธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าสอนยังไงท่านแนะนาสั่งสอนเราก็ได้รู้จาก ถ้าอุปชาอาจารย์หรือว่าทางโลกเขาก็มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนวิธีส่อรถวิธีรักษาพยาบาลวิธีทำมาค้าขายมากมายอันนั้นก็คือครูบาอาจารย์ก็เป็นบุพการีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ท่านได้เลี้ยงแนะนำสั่งสอนเรานี่แหละบุพาการีมีอยู่สี่จำพวกนะพวกเราคิดดูให้ดีกนแล้วกัน คือเจ้าแยกๆกออกมานพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ประกาศประกาศไว้แล้วแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ถ้าว่าคนไม่ได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศเขา เ, เขาก็นับถืออีกอย่างหนึ่งอย่างพวกเราได้เห็นเขาแต่เราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร เราก็รู้เรียนรู้ในหลักของพุท ธ, ธะอันนี้นะบุพภาการีของพวกเราะเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพ่อแม่แล้วกัอุปชากุบายจารีของพวกเรานอันนี้ก็คือบุพภาการีพวกเราจะสนองแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านเหมือนกันไม่ว่าท่านผูน้ใดไม่เว้นเท่ทังหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องแสดงความกตัญญูเหมือนกัน จากนั้นก็พูดเรื่องเองสิ่งแวดล้อมปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องความหายยนะก็เข้ามาสู่พวกเราเหมือนกันอย่างพวกเราตัดป่าทางป่าอย่างนี้กั้นน้ำปิดน้ำปิดถนนน้ำม่นมีที่ไปที่มากับท่วมผลี่สุดเมื่อตัดป่ามากๆตกลงมาน้าสะลงมาเร็วน้าท่วมมีมากมายพวกเราทาลายสิ่งแวดล้อมของเรา อันนี้ก็ส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ชัดกว่านั้นคือมาคือหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกนะสิ่งแวดล้อมคือทิศทั้งหกทิศทั้งหคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาทิศทั้งหททางโลกทิศเหนือทิศใต้วกวากันไปทักษิณอรดีทักษิททั้งแปดแต่ทิศทั้งหกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทิศเบื้องหน้าพ่อแม่ พวกเราปฏิบัติตนอย่างไรกับพ่อแม่จึงจะถูกต้องไปดูถูกเหยียดยา้พ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ขาดความเคารพในพ่อแม่ไม่ยำเกรงพ่อแม่แล้วเป็นยังไงถูกต้องไหมที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องแสดงความกตัญญูอย่างที่ว่าเมื่อเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิุระของท่านดารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือบุตรธิดาปฏิบัติตนต่อทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเมื่อได้อยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วสามีภรรยาถ้าสามีออกนอกลูนอกทางภรรยาออกนอกลูนอกทางอย่าหวังเลยในครอบครัวนะ่าจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแตกสลุผู้พ่ายกันไปหมด เพราะเหตุใดสามีภรรยาไม่เข้าใจกันจะหาความสุขในชีวิตคลองเรือนไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เราเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนฟังศึกษาให้เข้าใจในการแนะนำสั่งสอนของท่าน เมื่อเราได้รับความรู้ความฉลาดแล้วเราก็นําความรู้ความฉลาดที่เราได้เรียนได้ศึกษาจากท่านนําไปประพฤติปฏิบัติประกอบสำมาชีพของตอนเองอันนี้ทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายอันนี้ก็จําเป็นทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายถ้าคนไม่มีมิตรไม่มีสหายไม่มีเพื่อนมีฝูงเหมือนกับคนโดดเดี่ยขึ้นมาอย่างเดียวทําผลิของอะไรออกมาก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีใคร นำไปประกาศเผยแผ่แล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีที่ปรึกษาแล้วจะมีความร่มเย็นผาสุขได้อย่างไรเพราะคนขาดมิจฉขาดสหายอทิฏฐิเบื้องบนสมมณะพรามหมณ์อคือคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาไปกราบไปไหว้ท่านท่านก็นแนะนําสั่งสอนเออบาปอย่างนั้นนะบุญอย่างนี้นะคุณอย่างนี้โทษอย่างนี้นะนรกสวรรค์อย่างนี้นะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะ ควรทำอย่างนั้นนะมันจึงจะถูกไม่ควรทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันผิดนะอันนี้คือสมณพราหมณ์เป็นผู้แนะนำในทางที่ถูกต้องพวกเราก็ไปฟังกับฟังด้วยเหตุด้วยผลท่านแนะนำถูกต้องไหมถ้าทำไม่ถูกต้อง เ, ออเราเ็พร้อมที่จะคัดค้านได้อีกเหมือนกันไปหาสมณพราหมณ์หลายองค์ท่านแนะนำอย่างไรทุกอย่างมันก็ต้องเหตุมีเหตุมีผลในการฟังของพวกเราอันนี้คือสมณพราหมณ์ ละกระทิศเบื้องต่ําคนใช้คนงานของเราคนรับใช้บริษัทบริวารของเราถ้าเราไม่มีบริษัทบริวารเราจะมีความใหญ่โตขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้คือปฏิบัติให้ถูกต้องต้องรู้จักแบง่งต้องรู้จักปันต้องรู้จักเอาใจใส่เขาเวลาเจ็บไข้ใดป่วยอะไรทุกอย่างเขาเราเหมือนกันลูกน้องบริวาร ถ้าเราทำถูกต่อทิศทั้งหกแล้วมีแต่ความเจริญนะลูกหลานนะเนี่ยอันนี้พวกเรานำมาคิดนำมาพิจรารณาดูสิยังใครควรทบทวนดูนี่แหละเราอยู่ในโลกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ถึงยังไงทีนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราต้องคิดไว้ในใจเสมอถึงข้าจะรับผิดชอบถึงข้าจะร่ำรวยถึงข้าจะมีความสุขอย่างไร อีกสักวันหนึ่งข้าพรเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาแน่นอนเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาตายมาอย่างให้เราเห็นเห็นอยู่แล้วเราจะไปอยู่จะไม่ตายอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นก่อนที่จะร่วงลับดับขันก่อนที่จะตายนั่นแะก่อนที่จะมรณะภาพลาโลกไปเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรือยังอันนี้ต้องถามเป็นส่วนตัวนะะอย่าให้คนอื่นถามถ้าคนอื่นถามแล้วคนอื่น บอกนะบางทีคือชุนอยู่ในจิตในใจถ้าถามตนเองอย่างนั้นถ้าใช้ปัญญาถามตนเองอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่นี่คุณงามความดีสิ่งไหนเราควรจะทําควรจะปรับปรุงควรจะใส่ใจควรจะหาคุณงามความดีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่อเรามีบุญมีกุศลในจิตใจแล้วนั่นแหละความร่มเย็นผาสุขจะอยู่ในจิตใจของเราลึกๆที่นี่น อุ่นใจเพียงนันแหลอุ่นใจอไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเหาเศร้าซึมเพราะเหตุใดเพราะมีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจให้ทานแล้วก็พอเป็นไปให้รักษาศีลรักษากายวาจาเราก็ไม่ได้ทําทําให้คนอื่นเดือดร้อนทุกข์ยากลําบากแต่กะพร้อมกันเราก็สั่งสมปุ่กุศลไปด้วยเพียงแต่ว่าดู่เฉยเฉยไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นนั้นยังไม่เพียงพอนะ เนี่ยเมือกับยืนโดดเดีย่ยวอยู่เฉยๆไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ใครเมื่อไม่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ใครคุณประโยชน์จะเกิดกับเราได้อย่างไรเนี่ยเมื่อเราไม่โสแสงหาทรัพย์เมื่อเราไม่ทํามาค้าขายทรัพย์อนนั้นต์เหมือนกับเก็บไว้เฉยๆไม่ฝากธนาคารอีกต่างหากแล้วเป็นยังไงมีแต่ล้อยลรอลงไปเรื่อยๆพราเราอยู่กินทุกวันเพราะนั้นเราก็ต้องทําคุณงามความดี ต้องเสียสละต้องสังสมคุณงามความดีมีมากมายหลายอย่างการสังสมคุณงามความดีตัวนี้เพราะนั้นตอนนีเ้เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้จากคิตเบื้องบนสมณพราหมณ์ตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร